ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำํำจนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ปไปจนศรัทธานี่ยอธิบายศรัทธาไว้จนเป็นสายยาวเหยียดเห็นวิทยะความเพีย้ยนเพี้ยนยังไบ ง, งบ้างหรือาบาอะไรจนกินหนึ่งขันหยังหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่ง นี่จิตก็ต้องติดตามไปหรือไงมียกตัวอย่างเช่นศรัทธารวยะเป็นต้นมันก็เป็นกันแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ตาปดผลในขณะที่ฟังอะไรนะในขั้งพุธการท่านแสดงธรรม ท่านหังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือ น, นําไปข้อนําไปเป็นข้อคิดเพื่อเพื่อปฏิบัติในส่วนที่คุนปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงตากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่า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 ความสงสัยเชื่อได้คือเราเคยเข้าใจในเรื่องอะไรเรนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวกับสิ่ง น, นั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อสี่จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นการธรรมดามันเฟรียเงเกีียวก็หลักทำอยู่เสมอแล้วเราจะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ในสี่ข้อนี้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 ภายในจิตใจของของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะในขณะนั้นจิตทําหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความป่องใสขึ้นภายในตัวเองจิต ท, ที่ไม่สงบก็หาความป่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่ง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 สร้างความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใด ก, ตก็ต่างไม่สำคัญสาคัญที่อยู่ในตัวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนิเชื่อตัอง้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตัง้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะทนเทศเรื่องอะไร อย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราการรับเอาโดยเฉพาะเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏิความหมายอะไรมากมาย ก, กับกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้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 ธรรมะศาสตร์จะทำก็คือทุกข์สมุทัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกาวาจาใจนิโรธคือการระ ง, งับดับความกวนก歪และทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ในสี่อย่างนี้นี่อยู่กับทุกคน เฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุกไทยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายไายกอง ควาได้เปรียบคืออย่างไงผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีมีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แจกจสิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือน อาหารเครื่องนุ่งหม่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรม ทำเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทา ง, ทางจิตใจมีผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีาศาสนาเฉลยเพราะผู้ไม่มีาศาสนาเสเลยนั้นก็ชัาจะแน่ใจไปในทางที่ว่า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 ไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือด้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนี้ที่มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกภาจเจริญก็จเจริญโลกภาเสื่อมก็เสือ่อมคือวัตถุพาจเจริญก็จเจริญสังคมพาจเจริญก็ว่าเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ต า, ามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกจเจริญ ทั้งๆที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลงนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คํานึงถือเป็นความชอบชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้ แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็าตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็าตามหรือยากจนเพียงไรก็าตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิด ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นพ่อไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงจเจริญก็จเจริญแบบลอยๆดแบบตามความสำคัญมันหมายไปเฉยแต่เวลาความเสื่อมนั่นเสื่อมจริงๆเสื่อมพนา จ, จิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอด หาหลักยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเองินทองก็เลยคลายวุ่นจไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้เทีเราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาจะพ่ออย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิจตภาวนาเป็นต้นจัดแปรต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลย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 ของสาระคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทธพุทธโธธรรมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตะภาวนาเห็นกำหนดพุทธโธเป็นต้นว้าภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหน ให้จิตมีความาระลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมนั้นๆมีพุทธโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ต น, นระลึกได้หากว่าจะคาดเคลื่อนไปบ้างเผอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พื่นของใจคือพุทธโธเป็นต้นน่ะผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจเจาอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิต ว่าอยู่ตามโลกตามนักสารตามด้านปตัตถุต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่าหาันตัวจริงไม่ได้มีผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบําเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่ัชรณะเข้าไปโดยลำหนักในเบื้องตน้นเราก็กําหนดภาวนาดังที่ว่า น, นี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บําเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบ พอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์ครอบอะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เป็น เครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะให้ผู้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระยิบมีความดุดดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาเคเพียนก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสาคัญ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 แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความนิปริตผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตกล้าก็สู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเริบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรม ด, ด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบ ส, สงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้ นียอมเห็นได้ชัดนีเป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องศรัะธของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มส ต, ติกำลังความสามารถมาโดยลาดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อ บ, บารุง รักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจำเป็นที่ฮาตต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลาดับบจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้อิเป็นจิตนะ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 ถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่ถึนของจิตด้วยอํานาจแห่งธรรมหรือด้วยอํานาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีจิตกะพ orna เป็นต้นสร้างโดยลําดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มี ความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหด้ผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลําดับยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงจากตัวเองขึ้นเป็นชั้นชั้นนี่เป็นเป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตก ฐานเฉลีวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของอิที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม่ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้ หายไปโดยลําดับลาดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกลรานกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นชั้นชั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบได้านเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือขันห้าน่ะขันห้ามีอะไรขันห้านี้เป็นจ่งสําคัญมาก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 ขึ้นมาโดยลําดับตามครูอาตามาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่สอนและตามวิธีการของเราที่เคยบําเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลําดับลำับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาทัขงขาทั้งแขนนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลําพั ง, งมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นเนี่ยให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่ ง, งเท่านั้น อันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของเรารูปประขันแสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติท้องตอน่นการสร้างทุกเวทนาขึ้นมา ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านนั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหนะั สัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันี่สุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ว่ามีพิษมีสงฆัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงฆัญญาที่หมาญวาครอบหัวมันอยู่แล้วันี่หมายว่ญญาเนอ่างนันเางก็เพียงรับญาที่ายวเปน่านั้นมันก็ดับไปดับไป เวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขังขานทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่ ง, งต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองเนี่ยแยกแยะ ก, กันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่เพิ่งสร้าง หลักให้จก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสิงอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลําดับลาดับตามอํา น, นาจของสติปัญญาที่มีกําลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีจุงใดที่จะแทรกถึงจิตใจได้แม้แต่จิตเช้เองซึ่ง มีวิเลตอันสําคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันห้าที่เป็นของยำยับเท่านี้แม้แต่จิตวิเลตที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายนจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันตรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธ์ล้วน นั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซากฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมือเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติ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 รวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเพื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมนตินที่เรียกว่าบาป ท, ทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความรู้สึกดล้วน่นะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดี และจากคาว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุตินหนึ่งในทางที่ที่ต่ำเนทางที่ไม่ดียิดหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมาชาติที่กลางเรียกว่ามัชิ ม, มาในหลักธรรมาชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชิมมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเลย น, นี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสมาธิจิตเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธ เป็นมัจฉิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีมาศาสนาเป็นหลักอันใหญ่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือาศาสนากับคนไม่นึนับถือาศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมยิงมีความผิดทันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่าน พุทศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำปฏิิพิจาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติ ข, ของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แลจะเป็น